คืนสัตว์ที่ที่เรากลัวเลยหลายแห่งเลยนะอย่างเช่นกลัวนรกกลัวเปรตกลัวอะไรทั้งหลายก็กลัวเจ็บกลัวนั่นแหละกลัวหิวกลัวเจ็บกลัวปวดนั่นแหละอันนั่นกลัวแบบนี้เรากลัวไหมล่ะเอาพัดลมเย็นๆกลัวไหมอย่างเงี้ยก็ทุกเหมือนกันนะแต่ภาษาขาระทุกขามัากลัวไหมจริงๆอ่ะแต่ทํำไมเจ็บปวดเรากลัวเพราะฉะนั้นไอ้แต่สิ่งเหล่านี้จะนํามาซึ่งความเจ็บปวดเป็นต้นในภายหลังเพราะฉะนั้นก็เป็นทุกเหมือนกัน ถ้าไม่มีทุกโทมนัสเลยในทุกภพภูมิไม่รู้จะออกไปจากทำไมวะตะเออมุธธรมะก็ไม่ต้องเรียนหรอกสบายออกจะมีผลอะไรทักอย่างใช่ถ้าไม่เจ็บกายไม่เจ็บใจอะไรเลยนะมไม่มีนรกนรกก็ไม่เจ็บปวดด้วยอยู่กับไฟแต่ไม่เจ็บอย่างเงี้ยไม่ต้องลาบากกายไม่ต้องลาบากใจเป็นเปรตนะหิวแต่ไม่แต่ไม่ปวดเอาสิอะไ ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยในทุกพบภูมิแขนขาดข า, ด ข, าดขาดก็ไม่เจ็บไม่มีใครกลัวหรอกนะนะแต่ว่ามันจะนํามาซึ่งความเจ็บปวดในภายหลังอันนี้จึงน่ากลัวนะนะแต่ว่าไอ้ทุกตัวแรกมาจากไหนก็มาจากทุกตัวหลังทุกตัวแรกเกิดจากทุกตัวหลังแปรไปเนี่ยนะก็เลยทําให้เกิดตัวแรกใช่ไหมส่วนวิปริณามะทกุก็คือทุกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงถ้าจะกล่าวอีกในหนึ่งก็บอกว่า ทุกขเวทนาเนี่ยนะเป็นทุกขเพราะตั้งอยู่เนี่ยนะส่วนอุเบขาเวทนานะสังขารทุกขบางทีหมายถึงอุเบขาเวทนาอุเบขาเวทนาเป็นทุกขเพราะไม่รู้เป็นทุกขเหมือนกันทุกขเพราะไม่รู้เนี่ยนะก็อะไรที่มันชเฉยๆนะแต่ว่ามันนํามาซึ่งความเสียหายในภายหลังอนะอันนั้นะเรียกว่าทุกขละถือว่าทุกขเพราะไม่รู้ ส่วนวิปริณามะทุกคือสุ ข, ขเวทนาเนี่ยนะความสุขเหล่านั้นกำลังจะหมดไปเนี่ยถามว่าสุขหรือทุกไหยบอกว่าตอนนี้มีความสุขอยู่ตลอดแต่ความสุขนี้มันหมดแนละ้วพอบอกว่าหมดเมือ่อไหร่ก็ทุกทุกเพราะมันหมดเนี่ยนะพวกนี้เขาจะมายึดบ้านนนะุ ก, การัางั้น <c oughs> ก็อยู่บ้านตอนนี้สุขใช่ไหมอ้าวตอนเขาตอนจะออกจากบ้านนะทุกแล้ว เพราะความสุขเหล่านั้นมันหมดไปเนี่ยนะคือถ้าจะหมดความสุขก็ถือว่าเป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอ่าท้าที่ไหนกล่าวเวทนาสามนะสุขทุกขอเบคาถ้ากล่าวธรรมะสามคนี่นะเวทนานี้ถ้าเรียนอภิธรมรมัทสังขะมาแล้วเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงถ้ากล่าวเวทนาสามเท่ากับสแสดงทุกภพภูมิหมด พรที่ไหนมัง่งมันพ้นเวทนาสามมี้หมไม่มีนะเว้นแต่อาศัยสัตว์นะที่ไม่มีเวทนาสามแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปแล้วอะเวทนาสามมันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งเมื่อมีเวทนาสามปั๊บอุปาทานขันห้าเท่ากับพูดหมดเพราะฉะนั้นโลกนี้เขาจึงแบ่งว่าโลกหนึ่งคือสังขารหรือที่เรียกว่าสัตว์นะดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารนี่โลกหนึ่งโลกสองคือนามกับรูปโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่ โลกห้าคือขันห้าโลก6คืออายตนะภายใน6นะโลก6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะโลกเจดคือวิญญาณทิฏฐิเจโลก8ดคือโลกกระทำแปโลก9้าคือสัตวว่าดเก้าโลกสิบคืออายตนะสิโลกสิองคืออายตนะสิบสองโลก18คือธาตุสิบแปดนะเนนะเรจะแบ่งเป็นโลกไปตามนั้นไปอันนี้ก็พูดถึงเวทนาสามก็เท่ากับพูดทุกภพภูมิแล้วเพราะว่าไม่มีภูมิไหนเว้นเวทนาหรอก มันย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าหาระแปลว่าวิธีช่วยกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพุทธพจน์นี่คือหาระหาระทั้งหมดมีสิบหมีเทศนาหาระเป็นต้นเทศนาหาระมีอยู่หเออมีอยู่หอย่างด้วยกันตัวเทศนาหาระมีหอย่างคือหนึ่งอัศทะสองอาทีนวะสามนสรณนะ สี่ผลห้าอุบายหกอนัตอันนะัเมื่อกี้นี้ได้ไปสองแั้ไหมอัศสาธะกับอาทีนวะอัศสาธะนี้เนื้อหาหรือเนื้อความหรือองค์ธรรมได้แก่อัศาธาธะมีอยู่ห้าประการหนึ่งสุขสองโสมนัส 3. ามอิทธารมสามประการนี้ให้รู้ว่าเป็นวัตถุกรรมเ น, นะเน้นที่วัตถุกรรม ส่วนตันหากับวิปลาสเนี่ยนะข้อสี่ข้อหตันหากับวิปลาสอันนี้เป็นกิเลสกรรมเพราะฉะนั้นคําว่าอัศาธาโดยศัพท์แปลว่าน่ายินดีหรือตัวที่ยินดีก็ได้นะสภาพที่เข้าไปยินดีหรือสิ่งที่น่ายินดีก็ได้นั่นะแล้วก็เพราะคำว่าสุขโสมนัสอิทารมอันนี้เป็นสภาพที่น่ายินดีตัวเขาเองน่าปรารถนาส่วนตันหากับวิปลาสอันนี้เป็นเหตุให้ยินดี อันนี้เป็นกิเลสกรรมเพราะฉะนั้นคำว่าอัาทะนี่หมายเอาทั้งสองอย่างทั้งสิ่งที่น่ายินดีด้วยทั้งตัวยินดีด้วยส่วนอาทินวะอาทินวะนั้นกล่าวว่าทุกขเวทนาจริงๆก็ทกทเท่ากับกล่าวทุกขตาสามเนี่ยนะทุกขตาสามนะหนึ่งทุกขทุก 2. สังขารทุกข์ 3. วิปรินามทุกเท่ากับกล่าวทุกขตาสาทีนี้ถ้าแสดงตามอัตกรถาถ้ากล่าวตามอัตกรกฐานะท่านบอกว่ายะโตตัทธาอาทีนวานุปัสนาอารัฐวิปัสการนังยะถาภูตเตโยติวุจตินั่นก็เท่ากับบอกว่าการที่จะรู้อาทีนวะเนี่ยก็คือรู้ด้วยวิปัสนา นะผู้ปรารบวิปัสสนานะเข้าไปเห็นแบบนี้ไม่ใช่อาทีนะวาวะรอให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดก่อนไม่ใช่ต้องรอให้ร้องให้ก่อนแล้วค่อยเห็นโทษเออนี่มันมีโทษไม่ใช่หมายถึงผู้ที่มีปัญญาจะเข้าจะเข้าไปรู้เลยว่าโอ้นี่ใช่สังขารทั้งหลายอุปาทานขัหาอุปาทานขันห้าทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นทุกขทุกเป็นสังขารทุกข์เป็นวิปริณามทุกข์ แต่ถ้าจะเอาแบบพิสดารก็คืออะโต40นะผู้การจําได้มีอะไรบ้างเนี่ยนะอันนี้จะโตทุกขโตโรคโตนตโตเป็นต้นน่ยนะก็คือพิจารณาขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรอนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นอาพาธเป็นอื่นเป็นของแปรปรวนเนี่ยนะแล้จนถึงว่าเป็นของที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของที่ก่อให้เกิดโศกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเป็นธรรมดา อันนี้แหละเป็นอาทีนวะของอุปาทานขันท่าเพราะฉะนั้นตัวอาทีนวะนี่หมายถึงผู้มีปัญญาเข้าเข้าไปเห็นแล้วสิ่งเหล่านี้มันนำ ม, มาซึ่งความทุกข์จริงๆแต่อย่าลืมว่าคนที่พิจารณาเนี่ยไม่ใช่คนกําลังมีทุกข์พิจารณานะเพราะอะไรคนมีทุกข์เจริญวิปัสสนาได้ไหมมีไหมทุกข์เป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาไม่มีมีแต่สุขเป็นปัจจัยแก่สมาธิสมาธิเป็นปัจจัยแก่ยะขาภูตญานทัสนะ ันคนที่จะรู้เห็นเป็นตามความเป็นจริงว่านี้อาสาธะนี้อาทีนวะขณะนั้นเขาไม่ได้เป็นทุกข์แต่เขาเข้าไปรอบรู้ในกองทุกข์รู้ว่าทุกข์แน่นอนเ น, นี่ยนะรู้ว่าสิ่งนี้มีปัญหาแน่นอนอย่างเช่นนะอย่างสมมติว่ามีคนพยกป่าญ่าคาให้สิบไร่อย่างเงี้นะแล้วคุณต้องลงไม้ลงมือขุดเองนะียเราต้องไปลงขุดก่อนนะให้จริงก็รู้ว่าทุกข์นะพองแน่มือน่อต้องลงมือขนาดนั้นไหย โอ้ oh, ถ้าลักขนาดนั้นก็แสดงว่าคนนี้ไม่เชื่ออะไรสักอย่างเลยนะต้องประสบะการณ์ชีวิตต้องลองด้วยตัวเองหมดเลยเนะีว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะคนะือไอการที่เข้าไปรู้ทุกโทษเนี่ยนะสำมนเณิอายุเจ็ดขวบเนี่ยท่านต้องผมเป็นอื่นก่อนไหมหรือว่าท่านจะต้องฟันหักเป็นต้นก่อนไหมท่านจึงจะเห็นอริยสัจ ต, ตอนอายุเจ็ดขวบไม่ต้องขณะที่ปลงผมเนี่ยปัญญาของท่านเนี่ยร้อยเข้าไปเห็นหมดแหละเนี่ยนะเข้าไปเห็นโทษของขันห้าทันที อันนั้นแหละเป็นอาทีนวะของขันธ์ห้าหมายถึงอารมณ์วิปัสสนานะก็บอกว่าอาทอาทีนวานุปัสนาอารัตวิสการังอวิปัสการนังก็คือผู้ที่ปราบรวิปัสนาเข้าไปเห็นโทษเนี่ยนะตามเห็นโทษของอุปาทานขันธ์ห้าเนี่ยนะอย่างเช่นทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเพราะตั้งอยู่ใช่ไหมสุขเวทนาก็เป็นทุกขท่าหมดอุเบคาเวทนาก็เป็นทุกขท่าไม่รู้ ชีวิตอยู่ด้วยความเข่าเนี่ยนะถ้าในสายตาคนมีปัญญาเนี่ยถามว่าสุขหรือทุกข์ชีวิตที่อยู่ด้วยความเฉยเฉยโง่เงเนี่ยนะไอ้จริงๆสมมุติว่าเด็กปัญญาอ่อนนะคนมีปัญญามองเห็นว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นะแต่แล้วเด็กปัญญาอ่อนมันเฉยเฉยอย่นั้นนะเขาเป็นสุขก็เขาเป็นทุกข์เคอไอ้คนไปรู้นี่มันทุกข์แทนไอ้ <c oughs> คนนั้นมันเอาเป็นประมาณไม่ได้อยู่แล้วเงี้ยนะ นั้นคำว่าอาทีนวะอันนี้หมายถึงปัญญาที่เข้าไปพิจารณาแล้วเห็นโทษเห็นไหมเออแล้วถ้าเป็นอสสาทะนะครับจะต้องหมายถึงคนที่มีปัญญาที่เข้าไปรู้ด้วยหรือเปอลอ่าคนที่มีปัญญาเข้าไปรู้แต่โดยปกติคนทั่วไปเขาก็เห็นอารมณ์ต่างๆโดยเป็นอสาทะบ้างคือน่ายินดีบ้างแล้วก็ไม่น่ายินดีบ้างนะะี่ครับเอ อ, อันนั้นเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วธรรมชาติของมนุษย์ หรือธรรมชาติของสัตว์นะถ้าเจออิทธารลมราคะเกิดเจออ น, นิฐารลมโทสะเกิดอันนี้เป็นธรรมชาติซึ่งซึ่งเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว น, นะไม่ต้องศึกษาธรรมะก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่ารู้แบบนั้นใครพ้นทุกข์บ้างไหมไม่มีก็อยู่อย่างนั้นแต่ถ้าในสิ่งเดียวกันนะสมมตินะเอาเนี่ยกระถางดอกไม้แก้วดอกไม้เนี่ยที่มีดอกไม้ข้างในดูงามมากปกติใครเห็นก็ชอบเลย เพราะอะไรเพราะดอกไม้เป็นของที่น่าชอบบุคคลที่เข้าไปเห็นชอบเลยอันเนี้คืออัศสรส์ทะทีนี้ผู้มีปัญญาเข้ามองต่อไปอีกว่าโอ้โหนี่กว่าจะประดิษฐ์ประดอยได้ขนาดนี้มันนั่งหลังขดหลังแข็งนะเนี่ยนะแล้วแตกเป็นไหมเนี่ยแตกเป็นถ้าแตกเป็นนี่คนจะเสียใจสักเท่าไหร่อันนั้นคือเข้าไปเห็นโทษเขาจะมองออกเลยเอ อ, เ อ, อสิ่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นทั้งยินดีด้วยมีผู้เข้าไปยินดีในขณะเดียวกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็มีภัยอยู่รอบด้านถ้าดูแลไม่ดีนะ แต่เนี่ยเขาก็จะเห็นโทษแบบนั้นเช่นว่าเห็นดอกไม้สวยๆเนี่ยนะดอกมะลิกลิ่นหอมที่เป็นดอกไม้สดเนี่ยเก็เออหอมนี่น่าพอใจนะก็เข้าไปยินดีพอใจอันนั้นเป็นอาสาทะแล้วดอกไม้เนี่ยนะรดน้ํากี่น้ําเนี่ยนกะว่าจะได้รสขนาดนั้นอนะ่ะกว่าจะได้หอมขนาดนั้นแล้วมันจะหอมสักกี่ชั่วโมงเชียวนะถ้าลองเด็ดดูสิแล้วก็ไอ้ของหอมๆเดียวกันเนี่ยนะถ้าเก็บหมักเอาไว้ในขวดเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น นะก็เหม็นเน่าเป็นต้นนะน้าในกระถางดอกไม้เนี่ยนะ้ำในกระถางดอกไม้ในโต๊ะเนี่ย เ, เป็นหอมนึกกลิ่นอย่างอื่นเนี<ม>่ยนะนะก็นั่นแหละเพรแล้วก็คือเบื้องต้นเป็นยังไงที่สุดเขาจะรู้รู้ทั้งมองในแง่ว่าทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงพอใจแล้วตัวมันเองเนี่ยมันเป็นยังไงในที่สุดเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่ารู้อัสาธะกับรู้อาที T นะวะอันนี้เป็นชื่อของปัญญาที่เข้าไปไข่ครวญเนี่ยนะนะเพราะว่าแนวคัมภีร์เนี่ย แสดงในวัตถุทั้งหลายเพื่อให้เกิดปัญญาให้เข้าไปมองเห็นว่าเออธรรมชาตินะของสวยงามเป็นที่น่าพอใจนะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ของที่งามงามเนี่ยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นคนทั่วไปก็จะเดือดร้อนเนี่ย น, น, นะเจนทอนสมมตินะถ้าใครมีหลานเนี่ยหลานหน้ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยสมมนัทใช่สมนัทแล้ว ห, หลานคนเดียวกันท้องก็เสียร้องก็เก่งเนี่ยนะตอนนั้นอะไรจะเกิด แล้วแต่พ่อแม่ของเด็กคนที่มีปัญหาทุกเกิดมาป่วยตลอดจนมากเดือดร้อนพวกนี้ไม่เบื่อหน่ายในการเกิดเชื่อไหมเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าขอให้เขาเกิดอีกเป็นใช้ได้ันนี้จะไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะคิดว่าทำยังไงมือหน้าเขาจะได้กินเนี่ยนะเขาจะไม่เขาจะไม่คิดเกินไปเป็นสามวันสี่วันนอกจะคิดเป็นชาติหน้าสามสี่ชาตินะ คนที่มีปัญหาทุกทุกจริงๆไม่กลับไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะเกิดมาป่วยกระสอบกระเสรตลอดเนี่ยนะถ า, ถามว่าเกิดชาติหน้าถ้าคุณไม่ป่วยเอาอีกไหมเอาเลยนะแต่ถ้าคนดีๆหน่อยนะคนแบบธรรมนาปกตินะถ้าเกิดชาติหน้าคุณจะป่วยคุณยินดีจะเกิดไหมไม่เอาเพราะนั่นถ้าว่าไปเนี่ยอทุกทั่ทั่วไปเนี่ย เ, เป็นเรื่องของผู้มีปัญญาไม่ใช่คนที่ไปเสวยทุกจริงจริงคนที่เสวยทุกจริงจริงนะ ขอโทษเธอะในห้องเราเนี่ยมีกรรมกรจับกังกี่คนที่มาเรียนมีไหมถ้ามีก็ขอโทษด้วยนะแต่โดยมากไม่เห็นเลยนะถ้าเท่าที่นั่งเนี่ยยังไม่เห็นเลยว่าจับกังผสมปูนด้วยนะั้นเออวันอาทิตย์นี่จะมาเรียนทำรร ม, มาชีวิตมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยจะเรียนให้มันพนพทุกข์อันนี้สักทีนึงอันนี้ไม่มี น, นะครับก็เป็นที่น่าสังเกตว่าวิชาเนี่ยเป็นของผู้มีปัญญาแล้วก็ผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะ พวกติเหตุกะปฏิสนธิโดยมากเนี่ยจะไม่ค่อยเดือดร้อนทางวัตถุนักจึงจะมีบุญที่ที่พวกเพราะท่านอัตถะาบอกว่าพวกตีเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยนะโดยมากจะบริบูรณ์ในด้านอื่นๆค่อนข้างดีเนแล้วก็พวกถ้าพูดแบบชาวโลกทั่วไปนะผู้ที่จบปริญญาเนี่ยมาจากตระกูลไหนเป็นส่วนมากเห็นแม้แต่ทางธรรมะก็เหมือนกันคนที่ศึกษาธรรมะนะอย่างถ้าไปตามชนบททั้งหลายอ่ะ พวกที่ฟังธรรมโดยมากคือคนฐานะดีของหมู่บ้านมาฟังธรรมไอ้พวกไม่มีกินจริงๆเนี่ยนะโอ้ยผมฟังไม่ได้หรอกแต่ว่ามีเวลาไปกินเหล้ามีเวลามาฟังธรรมไม่มีก็ก็เพราะฉะนั้นคนที่ทุกข์จริงๆโดยทั่วๆไปแบบชาวโลกะนะน้อยนักที่จะศึกษาธรรมะคือคือมีแต่ว่าปริมาณน้อยมากเห็นไหยเพรผู้ที่ การเจริญสมถวิปัสนาเนี่ยนะเป็นมนุษย์ที่มีบุญนะเป็นมนุษย์ที่มีบุญแล้วก็โดยมากก็เป็นติเหตุกะปฏิสนธิด้วยเนี่ยนะพวกนี้ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อนทางวัตถุนะจึงจะพอมีความสงบมาพิจารณาได้เพราะเหตุแห่งปัญญานะต้องมีสปายะนะถ้าคนที่ไม่มีสปายะจะไม่มีปัญญาคนที่มีความเดือดร้อนทางร่างกายกับจิตใจอยู่ตลอดปัญญาเขาไม่เกิดเนี่ยนะ อย่าไปคิดว่าทําให้เขาเจ็บมากๆแล้วเขาจะเบื่อหน่ายในการเกิดไม่ใช่หรอกดีไม่ดีเขาจะพยาบาทชาอิหน้าขอให้เกิดไม่ได้เอาคืนบ้า ง, างนะเป็นอื่นไปนนท่านย้อนใหม่ครั้งหนึ่งนะว่าอาสาธาคือเท่ากับการประกาศทุกขศัพท์เนี่ยนะส่วนอาทีนวะก็เท่ากับการประกาศสมุทัยศัตร์เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นมีโทษอย่างนั้น แลนะอย่างเช่นอุปาทานนขันนะการเกิดขึ้นขอ ง, ข อ, งอุปาทานนขันเนะี่ยใครเกิดมาในโลกเนี่ดีใจกช่ไนหะ้โดยมากนะ ท, ที่ที่ได้เกิดมาเนี่ยพอได้เกิดมาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะมันคุณต้องล้างแผลก้าแผลวันละทุกทุกวันนะนนะต้องดูแลแผลก้าแผลทุกวันเนไหมสองคุณต้องบริหารอิรยาบทสีให้เหมาะสมคุณต้องรับประทานนะแล้วคุณต้องป่วยนะทำมาหากินแล้วปัญหาอิจิปาฐสารพัดเท่าที่เห็นอยู่ในโลกเนี่ยนะนะนะผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาก็เห็นมาเป็นโทษเลย ให้ทีแรกก็ดูหน้าเพลิดเพลินดีแต่ในที่สุดไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นไสมมตินะใครใครที่เห็นสวนดอกไม้นี่โดยมากจะพอใจเลยใช่ไหมโอ้งามมากเขาแต่งตั้งให้เป็นพนักงานดูแลทั้งหมดที่ว่าเนี่ยไหนไม่เอาเลยนะบอกโอ้โูหบ้านนี้งามมากเอาไหมสมัครเป็นพนักงานดูแลความสะอาดไหมย่างนไม่เอาเลยนะโทษนี่ปรากฏทันทีเลยนะ ทีนี้ในบรรดาสิ่งที่น่ายินดีสิ่งที่มีโทษเหล่านั้นเพราะสิ่งนั้นน่ายินดีสัตว์ทั้งหลายจึงติดข้องแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นมีโทษจึงมีคนต้องการออกเนี่ยนะแต่ทางออกเหล่านั้นก็มีอยู่นะนิสรณะเนี่ยสรณะแปลว่ายึดถือใช่ไหมเช่นพู้ทางสารณังก็ถามมิขับพระเจ้าขอยึดถือพระพระุทธ เ, เจ้าเป็นผู้นําทาง อ่านะแปลว่ายึดถือเลยนะสารณะเนี่ยแปลว่ายึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างว่าแบบสัมมวนไทยเราก็คือขอจับชายผ้าเหลืองพระพุทธเจ้านี่แหละอยงนั้นะยึดเอาไว้เลยอย่างนั้นลักษณะเนี่ยเรียกว่าสารณะนะส่วนนิสารณะนิตัวนั้นแปลว่าไม่เอาอ่ะแปลว่าไม่ยึดไม่ต้องการยึดเพราะในความไม่ยึดเนี่ยมีอยู่สองนัยยะด้วยกันนัยยะแรกคืออริยมรรคอันเป็นเหตุให้พ้นจากวตะอ่า น, นะหมายถึงอริยมรรคนะจริงจะเป็นการไม่ยึดจริงๆ อย่างที่สองก็คือนิพพานอันเป็นที่พ้นจากวัฏทุกข์อันนี้ทั้ ง, งสองคำเนี่ยนะหมายถึงนิสรณะ้ะคําว่านิสรณะมีสองความหมายคืออริยมรรคอย่างหนึ่งอย่างที่สองคือนิพพานเนี่ยเรียกว่านิสรณะนิสรณะแปลว่าทั่วๆไปนะแปลว่าไม่ยึดก็ได้หรือจะแปลว่าการออกก็ได้แต่นิยมแปลว่าออกจากทุกข์นั่นเองการออกจากทุกข์นี่ก็สองประการอยู่แล้วนะมรรคกับ นิพพานมักเป็นมรรคสัตว์นิพพานเป็นนิโรธสัจจะเนี่ยนะ ถ, ถ, ถ้าตามพยัญชนะตรงนี้นะถามว่าผู้เรียบเรียงนี้ท่านท่านเรียบเรียงเอามาเองหรื อ, อยังไงบอกไม่ใช่ท่านถอดเนื้อความมาจากอัตกถาอีกครั้งหนึ่งอัตกถาที่เรียบเรียงเนี่ติปกรณ์เป็นองค์เดียวกันกันกบที่แต่งอัตกถาอิติวุตกะคาถาอุา ท, าาทานเทระคาถาเทรีคาถาเปตววัตถุนะ เป็นองค์เดียวกันผู้ที่แต่งประมัททีปณีเนี่ยคำพีไหนมีชื่อว่าประมัถทีปณีอ่ะโดยมากเนี่ยพระรูปเนี่ยเป็นผู้แต่งคือพะมมะระธรรมปาละเป็นองค์เดียวกันที่แต่งดีกาวิสุทธิมัจเนี่ยนะท่านเป็นทั้งอัตถกถาอาจารย์เป็นทั้งดีกาจารย์เนี่ยนะนั้นะในอาจารย์ชื่อว่าพระวิสุท ธ, ธาอาจารย์เนี่ยนะท่านก็เรียบเรียงเอามาจากอัตถกถา น, นะซึ่งอัตถกาถาก็เล่มเนี่ยเล่มเท่านี้เอง ของบ้างก็เอาไปอ่านได้นะให้ยืมได้ให้อย่าเอาไปเก็บนะถ้เาเก็บมาให้ยืมเอามาก็รอไว้วันไหนเขาจะแปลมาเป็นภาษาไทยสักทีนะต่อไปนะพูดถึงผลบ้างผลอันนี้ผลของอะไรหมายถึงผลของเทศนานะพูดสามไปแล้วนะหนึ่งอสศาธาสองอาทีละวะสามนิสรณะส่วนผลในที่นี้หมายถึงผลของเทศนาผลของเทศนานี้ก็แบ่งออกเป็นสองอย่าง คือในปัจจุบันกับสัมปรายภาพภ์แปลว่าผลในชาตินี้กับผลในชาติหน้าผลของคําสอนน่ะนะผลในปัจจุบันก็คือการได้ปัญญาคือสุตตมยาปัญญานีนะรู้อัดรู้ทำรู้เหตุรู้ผลอันนี้เป็นผลที่ได้ในปัจจุบันเลยนะพอฟังทำจบนะประโยชน์ของการฟังอะ่ะผู้ฟังก็ย่อมรู้อัดผู้ฟังก็ย่อมเห็นทำก่อให้เกิดปีติปราโมทย์ก่อให้เกิดสุขปัตตสัที่สมาธิรู้เห็นตามเป็นจริงอะ่ะ อันนี้เป็นอันนี้สงฆ์ของการฟังทำที่เห็นๆกับเฉพาะหน้านะฟังจบต้องได้อันนี้ถ้าฟังแล้วไม่ได้อย่างงี้ก็ขอโทษด้วยนะคนแสดงแล้วต้องขอโทษผู้ฟังอันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอันนี้สงฆ์ของการฟังเนี่ยย่อมนมํามาซึ่งปัญญาใช่ไหมแต่ถ้าฟังแล้วงงๆปกติอยู่บ้านก็ไม่ได้ปวดหัวเลยนะมีเี้ก็น่าเห็นใจมาก อันนประโยชน์ในปัจจุบันคือเขาเรียกว่าอัทธเวทธรรมเวท ร, รู้อรู้ธรรมเมื่อรู้อรู้ธรรมย่อมทําให้เกิดปราโมทผู้เกิดปราโมทย่อมก่อ biomass, ให้เกิดปีติผู้มีปีติย่อมได้รับความสุขผู้มีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นผู้มีจิตตั้งมัน่นก็ย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงนะรู้เห็นว่านี้ทุกข์รู้เห็นว่านี้สมุทัยรู้เห็นว่านี้โรสนีิมมักอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการฟังธรรมเฉพาะได้ตรงนั้นเลยผู้ที่ฟังได้อย่างนี้นะก็เป็นประเภทกลุ่มอุคติตันยูเลยอย่างนั้นเถะ แต่ถ้าต้องไปคี่ไปตรึกไปไข้ครวนแล้วก็บ่อยมากอ่ะนะกว่าจะบรรลุก็ปัญญาก็ลดลดลงไปอีกตามสมควรตะนั้นอันนี้คือประโยชน์ในปัจจุบันคําว่าปัจจุบันคือปัจจุบันชาติทีนี้ถ้าฟังแล้วอ่ะนะบรรลุก็ตามหรือไม่บรรลุก็ตามถ้าฟังแล้วบรรลุอ่ะนะอันนี้แน่นอนใช่ไหมชาติน้าดีแน่นางวิสาขาเนี่ยไม่มีตกอบาลอันนั้นอาณาถาบินทิกาก็เกิดที่ไหนดุสิต นางวิสาขาเกิดนิมมานรดีเนี่ยนะผลผู้ที่บรรลุมรรคผลผลจากการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าถ้าบรรลุมรรคผลเนี่ยอบายสีนี่ปิดหมดเนี่ยนะมนุษย์นี่ถ้าจะเกิดอีกเลือกแม่ได้อ่ะเลือกแม่เกิดได้เหมือนอะไรเหมือนกับคนมีฐานะหน่อยนะเลือกซื้อบ้านอยู่ได้ไหมได้ก็เลือกอยู่คันไหนก็ได้แต่เป็นขณะเดียวกันนะมันต้องแม่กับลูกกรรมมันต้องสมดุลกันหน่อยนะไม่ใช่ว่าไปขอเกิดกระญิงหมันอย่างนงี้เราไม่ได้อยู่นะ้ หมายก็ว่าให้มันสมเหตุสมผล น, นะเพราะฉะการเกิดในสุคติภพเนี่ยอย่างหนึ่งหรือว่าผู้ที่ฟังธรรมแล้วนะก็จะให้ทานเป็นต้นอันนั้นก็เป็นเหตุที่จะทําให้โภคาบริบูรณ์เพราะฉะนั้นอ น, นิี้สงที่จะพึ่งเห็นได้ในภพต่อไปอ่นะคือผู้ในสมัยพุทธกาลอ่ะผู้ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าอ่ะที่ตกนรกเนี่ย น, น้อยมากแต่ก็มีอยู่บ้างเช่นพระนางมาคันธิยาใช่ไหมก็ สอนพ่อแม่พ่อแม่ฟังจบบรรลุเป็นท่านาคามีลูกสาวผูกพยาบาทเลยเนีย่ยนะตอนนั้นอันนั้นก็อันนั้นคือคนแบบนั้นเอาเป็นประมาณไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเอาแบบทั่ ว, ว, วไปนะบุคคลที่เหลือไปสุขคติหมดทั่วๆไปนะโดยมากไปสุขคติอย่างน้อยก่อนแล้วก็นำให้เกิดตระกูลดีเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเทวดายิ้มเลยหัวเราะกันเลยนะบอกว่าโอ้ยนรกว่างแน่งานางนี้เนี่ย เทวดาเต็มสบายแน่กันนะเทวดาเยอะเหมือนั้นแต่เมื่อไหร่ที่ไม่มีพระพุทธเจ้านะเทวดาไมยเรืนะ น, นรกเต็มแน่งานนี้เหมือนั้นอันนี้ก็เป็นผลของการฟังธรรมนะจริงๆแล้วที่เราบอกว่าธรรมทานเนี่ยชนะทานทั้งปวงให็นไหมเพราะพระพุทธเจ้าวเวลาแสดงธรรมเนี่ยผู้รับเนี่ยจะได้รับประโยชน์ทั้งโลกนี้ได้รับประโยชน์ทั้งโลกหน้าอันนี้เป็นผลของเทศนาผลในที่นี้หมายถึงผลของเทสนานะ เพราะอะไรเพราเอางี้ก่อนนะเวลาพระพุทธเจ้าจะเทศนาพระ อ, องค์จะเทศนาอัสาธาอาทีนวะกับนิสระณะอย่างเช่นสมัยพุทธกาลเราอ่านพระไตรปิฎกจะมีอนุ ป, ปุพพิคถาพูดถึงทานศีลเนคขมะเออทานศีลสวรรค์อาทีนวะเนคขมะแล้วประกาศอริยสัจเนี่ยนะในช่วงต้นๆเนี่ยนะทานศีลสวรค์เป็นต้นประกาศอัาธะทั้งนั้น นะพออาทีนวะก็ประกาศอาทีนวะอาทีนพเนียนะตอนท้ายก็ประกาศอริยสัต์เพราะฉะนั้นหลักอนุปุพพิกถาก็คือประกาศเนี่ยอาศาัศธาอาทีนวะหรือถ้าใครอา่อานภารับบันิตสูตรเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าการไม่มีเขาบอกว่าเดีทีเขาพูดนะบอกเขาสามารถบัญญัติเรื่องการได้พระสมณโคดมก็บัญญัติเรื่องกามได้โโดดเพราะฉะนั้นเรากับสมณโคโดมเนี่ยในเรื่องการสอนมันต่างกันตรงไหน ภิกษุก็รับฟังอ่ะนะก็ไม่ได้ถามตอบอะไรเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังก็บอกนี่นะถ้าเธอทั้งหลายถามเดารทีต่อไปว่าเออแล้วอะไรเป็นอัสาธาของกามอะไรเป็นอาทีนวะของกามอะไรเป็นนิสรณะของกามนะเดารทีต้องโกรธก็ถามทําไมก็บอกไปถามในเรื่องที่เขาตอบไม่ได้นะมีไหมก็ไปถามนะถามถามคนไม่รู้และตอบยิ้มแย้มแจ่มใสบอกไม่รู้ข้าเนี่ยนะมีไหมโดยมากไหนเป็นอย่างนั้น คําว่าไม่รู้นี่มันเป็นปฏิฆาณิไม่ของคนทั่วๆไปแล้วคําไม่รู้เนี่ยพูดยากนะคำว่าไม่เนี่ยโดยมากโภสะเป็นสมุทฐานโดยมากนะถ้าเป็นคําแบบโลกๆอ่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเตรถีเนี่ยก็ไม่รู้อัสาธาของกลามอาทีนวะของกลามนิสรณะของกลามหรอกพระพุทธเจ้า ก, ก็ตรัสนะถ้าหากว่าพราะองค์ไม่รู้นิพพานที่สงบนะพงยังไงพระองค์ก็ต้องเวียนกลับไปหากลามอีกแต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยแทงตลอดอริยมรรค กลับมันลูกพรนิพพานแล้วพระองค์จึงไม่เวียนกลับไปหาตามเพราะฉะนั้นคนทั่วๆไปนะบอกว่าพอแล้วก็ใช่ตอนนั้นแต่ตอนหลังอาเมรี่หนึ่งก็แบบแม่ของพระศิวลีใช่ไหมโหมีลูกคันหลงอยู่เจ็ดเออคันมีคันอยู่เจ็ดปีคันหลงอยู่เจ็ดวันสมัยนั้นไม่มีหมอพยาบาลผ่านะก็เลยอยู่ในคันอย่างนั้นอ่ะเจ็ดปีด้วยกันคันหลงอีกเจ็ดวันทีนี้พอลูกคลอดตอนหลังเนี่ยลูกนี่น่ารักมากพระศิวลีน่ารัก อันเวลาทำบุญเนี่ยนะไปประเคนเองยกเองยิ you, ้มแย้มแจ่มใสคุยกับพระนะภาษาดบุตรก็คุยได้เป็นไงเจ้าหนูสบายไหมอย่างเงี้ยผมจะสบายอะไรผมทุกข์จะแย่อยู่แล้วแม่เห็นเนี่ยนั่งยิ้มเลยเออลูกเรานี่เก่งมากคุยกับพระได้พระบุทธเจ้าเห็นนางสุปวาสากุรยธิยาเนี่ยนะก็ถามว่าดูก่อนสุปวาสาเนี่ยเธออยากได้อย่างนี้อีกไหมก็บอกอยากได้สักเจ็ดเท่เจ้าข่าวนะนนัเพราะเธอเนี่นะ อนะพอพอพอพอเห็นความน่าชื่นใจปั๊บลืมหมดเลยใช่ไหมอ๋นะแล้วก็รัก อ, อาจสาธานี่มันครอบงำ